พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หข้อหนึ่งถึงข้อ9ความว่าต่อไปนี้เป็นบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้สอนท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้กระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั้นเพื่อว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งตัวท่านและบุตรหลานของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเพื่อว่า วันคืนของพวกท่านจะได้ยืนยาวโอคนอิสราเอลทั้งหลายเหตุฉะนั้นขอจงฟังและจงระวังที่จะกระทาตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดีและเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งนักในแผ่น ด, ดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพระบุตของท่าน ได้ทรงสัญญากับท่านโอคนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยโฮวาพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวพวกท่านจงรักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกําลังของท่านและจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและพวกท่าน จงอุตสาห์สอนถ้อยคําเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่บนเรือนอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคํานั้นจงเอาถ้อยคําเหล่านั้นพันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญและจงระลึกว่าและจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่าน และเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านโอกาสเผยพระวจนะหัวข้อความสําคัญของพระวจนะโดยท่านสิจิบาลคริสจักรวัฒนาพี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการศึกษาพระวจนะและสตรีเมื่อต้นเดือนนะครับผมได้เทศนาในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของสตรีนะครับในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของความสําคัญของ พอชนะของพระเจ้ามีเรื่องเล่าอย่างนี้นะครับว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งพยายามที่จะอวดคุณแม่ว่าเขาสามารถใส่เสื้อผ้าเองได้แล้วนะครับ mm hmm. เขาก็พูดกับแม่ว่า mm hmm. แม่ครับนี่คือเสื้อตัวใหม่ที่คุณพ่อซื้อให้สวยไหมครับแม่ก็ชมว่าว้าวสวยดีลูกแต่ทำไมมันเบี้ยวไม่เป็นทรงเลยล่ะลูก สงสัยช่างตัดเสื้อคงจะตัดผิดแง่แงคุณแม่ก็หยอกล้อลูกแท้จริงแล้วคุณลูกนะครับติดกระดุมผิดเม็ดครับติดกระดุมผิดเม็ดเชือกก็เลยเบี้ยวไม่เป็นทรงก็ต้องเริ่มใหม่คุณแม่ก็บอกว่าเอาใหม่นะหนูต้องติดกระดุมตั้งแต่เม็ดบนลงไปเม็ดแรกให้ถูกเชือกก่อนแล้วเม็ดต่อๆไปมันก็ถูกแล้วกระดุมทุกเม็ดมันก็จะสวมกันได้พอดี คุณแม่ก็เลยสอนลูกชายว่าถ้าเรากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดไปหมดครับแล้วก็ถ้าเริ่มต้นถูกสิ่งที่ตามมาก็จะถูกไปหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระบรมราชวาทของพระองค์ท่านที่ท่านได้ตรัสกับพระสนิกร น, นะครับบอกว่าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดกระดุมเม็ดต่อๆไปก็ ในทรรนองเดียวกันครับถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกนะครับถูกเริ่มต้นถูกสิ่งที่ตามมาก็จะถูกต้องในพระชนะของพระเจ้านะครับได้แสดงให้เห็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของมนุษย์ว่าอะไรก็ตามในความเป็นมนุษย์ของเราถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องสิ่งที่ตามมาก็จะถูกไปหมดครับแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นผิดก็จะผิดต่อๆกันไปอันนี้รวมถึงชีวิตคริสเตียนของเราด้วยครับในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราก็เช่นเดียวกัน คริสเตียนลราส่วนใหญ่เนี่อรู้นะครับว่าเราจะต้องเริ่มต้นตอนเช้าทุกวันด้วยอะไรครับเราควรเริ่มต้นตอนเช้าทุกวันนะครับกับพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดนั่นแหละครับคือการติดกระดุมถูกตั้งแต่เม็ดแรกเพราะฉะะนพรเจ้านพุทธทที่หกข้อสาิบสาได้บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่ปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับ ถ้าเราเริ่มต้นติดกระดุมถูกเม็ดนะครับชีวิตเรามันก็จะถูกไปหมดชีวิตคริสเตียนจะต้องเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างถูกต้องก่อนนะครับด้วยการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวในแต่ละเช้าทุกๆวันตอนเช้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าครับเมื่อชีวิตคริสเตียนกรัดกระดุมเม็ดแรกถูกนะครับสิ่งต่างๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมทั้งพันธกิจธุรกิจ นะกกิจกรรมส่วนตัวทั้งทุกอย่างมันก็จะถูกไปหมดในพระเจนะของพระเจ้าวันนี้เฉะลยธรรมบัญญัติบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าหลายเลยท่านก็คงจะได้ยินมาหลายรอบแล้วครับเพราะว่าพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้คนอิสราเอลเนี่ยได้ท่องได้จำ ม, มาโดยตลอดและเขาสอนเด็กๆของเขาทุกๆคนจะต้องท่องเฉะลยธรรมบัญญัติบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เกได้เป็น พระธรรมที่มีความสําคัญที่โมเสสนั้นได้เน้นย้ําให้ประชาชนอิสราเอลนะครับฟังอยู่ที่เนธะุ่งราบก็เรียกว่าทุ่งราบโมอับครับโมเสสก็ได้บอกกับอิสราเอลก่อนที่เขาจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาเขาต้องข้ามแม่น้ําจอแดนก่อนนะครับเข้าถึงจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาได้ณนะที่ราบโมอับนั่นเองเป็นการทบทวนพระสัญญาของพระเจ้าพันธะที่พระเจ้าได้ให้กับชนชาติอิสราเอลของพระองค์ และโมเสสบอกว่าพระพระพรเนี่ยรออยู่ตรงข้างหน้ารออยู่ที่แผ่นดินที่อยู่ข้างหน้าเบื้องหน้าของเจ้าทั้งหลายพระพรของพระเจ้ารออยู่เพียงแต่พวกเจ้าจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของเราเพื่อนครับในช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่นะครับถ้าเราจะคิดพิจารณาจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หข้อที่หนึ่งข้อที่เก้านะครับ เราจะพบว่าคำสั่งของโมเสสนั้นบอกว่าให้เราเอาพระคําหรือพระเจนะอยู่ในใจนะครับในพระอมพีบอกว่าปักแน่นให้พระเจนะของพระเจ้าเนี่ยนำชีวิตของเรานะครับให้เราสอนให้เราพูดให้เราพันที่มือหมายความถึงการกระทาครับให้เราจารึกไว้ที่วางคิ้วหมายถึงว่าเราต้องจดจำให้เราเขียนที่เสาเรือนนะครับจะเห็นว่าเป็นการระลึกถึง เราเห็นปุ๊บนะครับก็ระลึกถึงพี่น้องครับเพราะวเจ้านะของพระเจ้านั้นสําคัญมากเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าต่อไปนี้เป็นบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายพี่น้องครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนต่อไปนี้เป็นบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระเจ้าบัญชาก่อนที่เราจะข้ามไปยึดครองดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเราพี่น้องครับผมเชื่อแน่ว่าเป้าหมายที่พระเจ้าให้กับเราทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยณเวลานี้ี่นะครับ กำลังเดินทางไปสู่ความสําเร็จสูงสุดแต่พระเจ้ามีแผนการมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายให้กับเราทั้งหลายแต่ละคนเราจะต้องมีอาวุธนะครับติดอาวุธพร้อมเราต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมในการรักษาบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้าเมื่อเรามีท่าทีของการเตรียมพร้อมเนะพราะเจ้าของพระเจ้าเมื่ อ, อไหรก็ตามเราให้พระเจ้าของพระเจ้านําชีวิตของเรานะครับเราก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้ให้กับเรา เพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับว่าพระเจนะของพระเจ้านั้นก็คือพระคำนําชีวิตเรามีความยำเกรงพระเจ้าและเราจะต้องมีความรักและห่วงใยพี่น้องครับううคริสเตียนและคริสตจัก s <S รทั้งหมดนะครับจะต้องเริ่มต้นด้วยที่พระคำก่อนพระเจนะของพระเจ้าต้องนําก่อนชีวิตที่มีพระคำนาทางนั้นเป็นชีวิตที่มีหลักประกันสูงสุดครับการที่เราจะมีหลักประกันสูงสุดในชีวิตของเราได้ต้องมีพระเจนะของพระเจ้านำนำทางเราจะมี พรสัญญาแห่งพระพรได้ก็ต่อเมื่อเรารู้พชนะเราจะได้รับฤทธิเดช ท, ที่มาจากพชนะและการทรงนำของพระเจ้าก็ผ่านทางพชนะก็อยู่ในพระคัมภีร์นะครับการกำชับอย่างจริงจังของโมเสสในครั้งนี้ในบทที่6กของเฉลยธรรมัญญาตนะครับได้บอกว่าเราทั้งหลายจะต้องสอนสอนลูกหลานของเราให้ลูกหลานของเรานั้นจะทำตามในแผ่นดินที่ท่านกาลังจะข้ามไปยึดครอง พี่น้องลองคิดถึงภาพนะครับว่าชนชาติอิสราเอลเนี่ยเขากําลังยืนอยู่ที่ทุ่งราบโมอับและข้างหน้าเขาเนี่ยก็คือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและสิ่งที่ขวางนะครับก็คือแม่น้ําจอแดนเขาเพียงแต่ข้ามแม่น้ําจอแดนไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเขาก็จะได้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาแล้วแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นสิ่งที่สําคัญมากกว่าการข้ามแม่น้ําจอแดนก็คือจิตใจนะครับที่ยอมให้พระวจนะหรือพระคำ นำทางชีวิตของเขาโดยการรักษาบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายที่พระเจ้ามอบให้กับเขาพระเจ้ารู้นะครับว่าขณะอันดินแดงมัทัญญานะครับนั้นชั่วร้ายมากขนาดไหนมีบาปของคนที่ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเขาทําบาปเขาสะสมความชั่วร้ายเยอะแยะมากมายหากอิสราเอลนั้นไม่ยึดถือพระคำของพระเจ้าอย่างมั่นคงโอกาสที่เขาจะหลงหายไปจากทางของพระเจ้าไปน้ำมศการพระอื่นนั้นมีสูงมากทีเดียวเพราะฉะนั้น การรู้จักพระคำของพระเจ้านั้นเป็นกระดุมเม็ดแรกครับเป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราจะต้องติดให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะรู้ว่าน้ำมันไทยของพระเจ้าเป็นยังไงชีวิตคิดเซียนที่ไม่รู้พระคำนั้นก็เหมือนกับเรือครับเรือที่แล่นออกทะเลโดยไม่มีแผนที่โดยไม่มีเข็มทิศฉะนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับที่ชีวิตคริดเซียนหลายหลายคนหลายหลยท่านเนี่ยชนเข้ากับหินโศโคชนเข้ากับอุปสรรคในชีวิตมากมายครับหลงออกไปจากทางของพระเจ้า น้ำหมดอาหารหมดชีวิตก็ขาดพรพรชีวิตก็สิ้นไปด้วยบางคนเสียชีวิตอยู่กลางทะเลครับไปไม่ถึงฝั่งนี่เป็นสินน่าสงสารมากสำหรับชีวิตคริสเตียนบางท่านบางคนที่ไม่มีพระคำนําทางเพราะเจตนของพระเจ้าข้อแปดกเก้านะครับชัดเจนครับจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือหมายความว่าให้ทำนะครับจงจารึกไว้ที่วางคิ้วหมายถึงว่าให้จดจาเขียนไว้ที่เสาประตูเรือน ก็คือให้มีการบันทึกเขียนให้มีการอ่านเกิดขึ้นชาวยิวจานวนมากนะครับได้ยึดข้อพังภีข้อนี้อย่างเคร่งคัดตามตัว อ, อ, กอักษรถ้าใครที่เคยไปอิสราเอลนะครับเราจะเห็นพวกที่เคร่งาศาสนายิวเนี่ยเขามีกลักพระธรรมวางอยู่ที่ศรีรษะนะครับมีมีสายหนังพันที่มือนะครับแล้วก็มีเมสซุซานะครับที่เรืเมซูซาเนี่ยติดอยู่ที่ที่เสาประตูเรือน อันนี้เป็นการกระทําของคนยิวครับมีติดเมสซูซ่าไว้เพื่อที่จะให้รู้ว่านี่คือพระเจของพระเจ้าประกาศเขตแดนของพระเจ้าในบ้านหลังนี้เป็นอนณาเขตของพระเจ้าพี่น้องครับท่านอคาทาูตเปาโลนะครับท่านได้ย้าเตือนชาวโคโลรสีเหมือนกันบอกว่าจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดารงอยู่ในตัวท่านอย่างครบบริบูรณ์ จงให้พระวาทะของพระคริสต์อยู่ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างครบบริบูรณ์ได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าว่าใครก็ตามที่ไม่รู้พระเจนะของพระเจ้าเท่าที่ควรเนี่ยนะครับจงให้พระวจนานั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตเราให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นจนกระทั่งถึงความไพรู์ของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่พระวจนานั้นทำให้เรารู้นะครับแต่ต้องกระทำด้วยโอ้คนอิสราเอลทั้งหลายขอจงฟัง และจงระวังที่จะทำตามเห็นไหมครับพี่น้องครับพระผีบอกว่าขอจงฟังและระวังที่จะทำตามนั่นหมายความว่าจะต้องทำด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกครับเราจะทวีมากขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ํานมน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์หลายหลายคนนะครับต้องปริวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรแต่การบริหารจัดการทรัพยากรแบบพระกัมภีก็คือเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและทาตามครับ ทรัพยากรของเราแผ่นดินที่มีน้ำนมน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ก็จะทุยมากขึ้นและนี่คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่พระเจ้าให้กับเราก็คือผู้ที่ดูแลทรัพยากรของพระเจ้าผู้ที่ดูแลแผ่นดินของพระเจ้านั้นเขาจะต้องมีจิตใจที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าให้พระคํานําทางชีวิตของเขาพี่น้องครับนอกจากข้อคิดนอกจากคําสอนในแต่ละครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์นะครับหรือเราใช้คู่มือเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าเช้านะครับ หรือใครที่ได้ยินเสียงของเสจพิบาล น, นะครับได้อ่านพระคัมภีร์ตามไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นการเรียนรู้ที่เราสามารถนํามาแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวให้กับพ่อคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูกหรือญาติพี่น้องของเราหรือแม้กระทั่งในกลุ่มแคร์ด้วยครับนี่คือการเดินทางกับพระเจ้าในแต่ละวันที่พรินชนะของพระเจ้าหรือว่าอัปรามนั้นเป็นผู้ที่ดําเนินกับพระเจ้าดําเนินชีวิตของเขากับพระเจ้า เขาได้รับประสบการณ์รัตภักวจนะได้เห็นจริงเห็นจังสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยพระเจนะนั้นทีนี้นครับกลุ่มแคร์ของขึ้นจากของเรานะครับก็มีการบันทึกมีการพูดคุยมีการแบ่งปันพระเจนะของพระเจ้าที่เราได้ในแต่ละวันมีการแบ่งปันการประสบการณ์การทรงนำของพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันนั่นนี่คือความจําเป็นนะครับที่เราทั้งหลายจะต้องควรที่จะเข้าในกลุ่มแคร์ เราจะรู้เรื่องเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันแล้วก็มีเรื่องที่จะพูดหนุนใจกันและกันความสัมพันธ์และบรรยากาศในกลุ่มแค่นั้นจึงเป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวาและมีความรักซึ่งกันและกันอันนี้เป็นประการแรกเมื่อเราให้พระคำนำชีวิตของเราประการที่สองครับพระชนะของพระเจ้าให้เราตอบสนองก็คือว่าให้เรายำเกรงพระเจ้าเป็นกระดุมเม็ดที่สองครับ ในข้อที่สองเบอกว่าเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยาว์วะพระเจ้าของท่านเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยาว์วะพระเจ้าของท่านโดยการรักษากฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระองค์พี่น้องครับเราแสดงความยำเกรงพระเจ้าได้โดยการรักษาโดยการทําตามพรวจนะของพระเจ้าพระมิบอกว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงภาษาอังกฤษคำว่ายำเกรงไปว่าเฟียนะครับก็คือกลัวภาษาไทยแปลว่ายำเกรง หรือแปลอีกในหนึ่งว่าเกรงกลัวพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรารู้จักพระเจ้ายิ่งมากเท่าไหร่เราก็จะเกรงกลัวพระเจ้าและยำเกรงพระองค์มากเท่านั้นพี่น้องครับปลอดไฟครั้งนะครับถ้าเรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่เรายิ่งจะยำเกรงพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้ามากเท่านั้นเด็กๆนะครับหลายๆลคนอาจจะรับการสอนว่าเนี่ยปลั๊กไฟต้องระวัง อย่าเอามือไปแย่หรืออย่าเอาของไปแย่ที่รูปลักไฟแต่เด็กมักจะไม่เข้าใจหรอกครับจนกว่าเด็กคนนั้นจะมีประสบการณ์ถูกไฟฟ้าดูดสักครั้งหนึง่งและ้ากว่าเด็กคนนั้นมีชีวิตรอดนะครับเขาจะรู้ซึ้งนะครับว่าไฟฟ้าเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนและต้องระมัดระวังเพียงใดพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับการที่เรารู้จักพระเจ้านะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับ เราไปแหย่ปลักไฟเนี่ยจะได้รู้ว่าพระเจ้านี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและมีพลังลิทธานุภาพขนาดไหนประสบการณ์นะครับจากคนอื่นเนี่ยยังสู้ประสบการณ์ตัวเราเองไม่ได้หลายคนสงสัยว่าทำไมอาจารย์ถึงต้องใช้เปรียบเทียบระหว่างเด็กนะครับไปเอาเอาเอานิ้วไปแหย่ปลักไฟเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าของเราบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามครับหลายคนพยายามพยายามที่จะคิดว่าพระเจ้านะครับทรงพระคุณอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วรพระเจ้าเนี่ยทรงบริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยที่เราจะต้องมีต่อพระองค์เนี่ยเป็นความยำเกรงที่จะต้องเกรงกลัวเกรงขามในฤิธานุภาพของพระองค์แก่นแท้นะครับของความยำเกรงพระเจ้าคือการต่อนหนักถึงความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมความชอบธรรมของของพระเจ้าควบคู่ไปกับความรักความเมตตาผมมักจะเปรียบเทียบไหมครับเหมือนกับรางรถไฟนะครับ รถไฟจะวิ่งได้เนี่ยต้องมีรางสองรางอยู่ถึงว่าเป็นรางสองรางรางแรกก็เป็นพระวจนะเป็นพระน์คุณความรักนะครับอีกรางหนึ่งก็คือความชอบธรรมความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมความยุติธรรมของพระเจ้าสองรางนี้ต้องไปด้วยกันครับบางคนชอบใช้รางเดียวคือรางพระคุณรางความรักรางความเมตตาแต่ไม่ชอบอีกรางหนึ่งก็คือความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมความชอบธรรมความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ชอบสิ่งนี้เพราะอะไรครับเพราะว่า เราไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าเท่าที่ควรเพราะความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นนำมาซึ่งการพิภากษาครับเพราะความชอบธรรมของพระเจ้านำมาซึ่งการที่จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรหลายครั้งทีเดียวครับแก่นแท้ความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในวิถีการดำเนินชีวิตของเราความยำเกรงพระเจ้านะครับอันที่สองก็คือความเคารพพระองค์ด้วยความเกรงกลัว ความเกรงขามในริดฐานุภาพอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าเมื่อคนอิสราเอล เ, เดินข้ามทะเลแดงเห็นความหายนณะของกองทัพฟาโร่พระมีบันทึกบอกว่าพวกเขาเกรงกลัวพระเจ้าไว้วังใจในพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับบนภูเขาซีนายพวกเขาได้ยินเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องได้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวได้เห็นถึงเมฆที่ปกคลุมภูเขาได้เห็นเสียงแตรดังก้องพระมีบันทึกว่าพวกเขาต่างก็ตกใจ กลัวจนตัวสั่นนี่แหละครับคือท่าทีของความยำเกรงพระเจ้านะครับในหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อยิบสองได้พูดถึงชีวิตของผู้โลหิตคนหนึ่งชื่อว่าเอลีท่านอายุมากแล้วตอนที่ท่านอายุมากนะครับมีลูกสองคนนะเมื่ออายุมากแล้วเด็กหนุ่มสองคนนี่แะครับขโมยของในพิวิหารครับและนอนหลับนอนกับผู้หญิงรับใช้ในพิธีหารเอลีก็ ได้แต่เตือนแต่ไม่ทำอะไรให้ชัดเจนให้ให้เรียบร้อยพระเจ้าก็ลงโทษเอลีถึงตายและลูกของเอลีสองคนก็ตายด้วยเช่นเดียวกันที่นครับความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมของพระเจ้าจะต้องปรากฏอยู่ในคัศจของพระองค์อยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนมีกรณีหนึ่งครับในพระคัมภีร์ใหม่กิจการบทที่หได้บันทึกถึงการยักยอก ของอนาเนียและซับฟีระพระเจ้าลงโทษถึงตายครับความเกรงกลัวพระเจ้าอย่างยิ่งก็เกิดขึ้นในคริสตจักรและในหมู่คนทั้งปวงที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นพระคัมภีร์บันทึกอย่างนี้พี่น้องครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นเรื่องนามนธรรมที่คริสเตียนมักจะพูดกันบ่อยๆแต่ไม่ค่อยทำเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นยำเกรงพระเจ้าคาตอบก็คือต้องเห็นเขาประพฤติออกมาต้องทาออกมา ความยำเกรงพระเจ้าคือความถ่อมใจการยอมรับการยอมทำการยอมทุกอย่างเพื่อจะรักษากฎเกณฑ์และบทบัญญัติของพระเจ้าทั้งสิ้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราเป็นคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเราต้องสอนลูกหลังเราสามเรื่องด้วยกันนะครับพี่น้องที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณคุณพ่อคุณแม่เรานําลูกหลังของเราเนี่ยมารับบัพติศมาเด็กเนี่ยนะครับ อย่างน้อยเนี่ยต้องสอนเขาสามอย่างอย่างสม่ําเสมอครับประการแรกก็คือให้เขาเกรงกลัวพระเจ้านะครับให้เขาเกรงกลัวยำเกรงพระเจ้าปฏิเสธการทํำบาปนะครับไม่ไปกราบไหว้ลูกเคารพอันนี้เป็นประการแรกที่สําคัญที่สุดเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเดียวประการที่สองครับสอนลูกหลานให้รู้จักความบริสุทธิ์ของพระเจ้าการพิพากษาของพระองค์ผลลัพธ์แห่งการไม่เชื่อฟัง ลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามในลูกหลานของเราเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่โดยการกลับใจต้องสอนลูกให้รู้จักการกลับใจต้องสอนลูกให้รู้จักความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและประการที่สามครับต้องสอนลูกให้รู้ว่าบำเหน็จรางวันยิ่งใหญ่หลังจากที่เรารักษาบัญญัติของพระเจ้านั้นมีอยู่ก็คือเราจะมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกเราจะมีวันดีและคืนดีมากมาย นะครับเราสามารถที่จะรับบําเหน็จรังวัลของความยำเกรงพระเจ้าบําเหน็จรออยู่ข้างหน้านะครับเราจะได้รับบำเหน็จนั้นโดยไม่ต้องคดโกงไม่ต้องมีชีวิตที่ขอรับชันแต่เราต้องดําเนินชีวิตด้วยความสัต์สือยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราประจําวันของเราอนาคตของเราอย่างแน่นอนบําเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าพระครัมภีรพูดนะครับสุภาษิตบทีบสองข้อ4พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องอ่านพ ร, ร้อมกันนะครับพวกเราอ่านพร้อมกันนะครับ บําเหน็จของความถ่อมใจและยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตอีกครั้งนะครับบําเหน็จของความถ่อมใจและยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตสุริยบทที่22ข้อสผมอยากจะยกโซโลมอนกับพระนางเชบาให้พี่น้องฟังนะครับพระนางเชบาเนี่ยก็เป็นเป็นควีนนะครับเป็นเป็นราชินีทางใต้ไปเยี่ยม โซโลมอนเพราะได้ยินว่าโซโลมอนเนี้ยเป็นคนที่เก่งมีสิปัญญามากสร้างาพระราชวังสร้างพระวิหารที่ที่โออาลังการมากเลยพูดให้สั้นนะครับก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโซโลมอนนะครับก็ปรารถนาที่จะได้ราชนินีเนียนะครับมาเป็นของตัวเองแต่ในที่สุดนะครับราชินีเชบาก็ต้องเดินทางกลับแต่โซโลมอนเนียก็เอาพระสนมนะครับเอานางสนม เอาไม่เหสีคนอื่นๆคนอรองๆเนี่ยครับให้มาอยู่ด้วยและโซโลมอนก็รับเอาพระต่างชาตินะครับก็มาอยู่ในอิสราเอลด้วยเหมือนกันก็สร้างวิหารให้นะครับเพื่อที่จะนับมาศการพระต่างชาติแต่ด้วยเห็นนี้เองนะครับถามว่าท่าทีของโซโลมอนเนี่ยดีไหมอยากจะได้ผู้หญิงเก่งๆนะครับอยากจะได้คนสวยๆนะครับอยากจะได้ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรของเขา อยากจะได้คนที่มีสติปัญญาเข้ามานะครับแต่ไม่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้กราบไหว้นับพิธการพระเจ้าองค์เดียวมีความผสมปนเปนกันในความเชื่อในที่สุดพระเจ้าก็ลงโทษอิสราเอลหลังจากนั้นหลังจากรัชสมัยของโซโลมอนในอิสราเอลเนี่ยแตกเป็นสองเสียงนะครับแล้วก็ อิสราเอลนั้นไม่ได้อยู่ในความรุ่งเรืองในความไพยบูร์อีกต่อไปพี่น้องครับ <c oughs> การผสมผสานความเชื่อของเราหรือแม้กระทั่งปล่อยนะครับให้รูปเคารพเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะครับเป็นสัญญาณอันตรายที่พระเจ้าจะไม่อวยอพรที่พระเจ้าจะให้บ้านของเราขาดพระพรที่พระเจ้าจะให้สารบัญของเราขาดพระพร ประการสุดท้ายครับในเช้าวันนี้กระดุมเม็ดที่สามครับก็คือรักและห่วงใยพิ่งพี่บอกว่าโอคนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยาว์ว่าพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวพวกท่านจงรักพระเยาว์ว่าพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านความรักเกี่ยวข้องอะไรกับการฟังครับคำตอบก็คือ การฟังนั้นเป็นอาการของความรักความฟังการฟังนะครับเป็นอาการของความรักหากว่าเราบอกว่าเรารักภรรยาของเราเรารักสามีของเราอาการของความรักนั้นไม่ใช่อยู่ที่คำพูดครับแต่อยู่ที่การฟังพี่น้องครับถ้าผมรักภรรยาของผมเนี่ยผมต้องพยายามฟังใจให้มากถ้าท่านรักสามีของท่านท่านก็ต้องฟังสามีของท่านให้มาก ถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเราก็ต้องฟังพระยาเวพระเจ้าของเราให้มากและพึงรู้ว่าพระยาเวนั้นเป็นพระเจ้าเดียวและพระองค์ทรงรักเรานะครับก็เป็นหัวใจดวงเดียวรักเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านนี้นะครับเหมือนเหมือนกันพี่น้องครับคลิปจากของเราเนี่ยเราเปิดคอร์สนะครับเขาเรียกว่า h a Marriage ชคอรส ใลายท่านในที่นี้นะครับก็ได้เข้าร่วมครั้งแรกแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมอยากจะประชาสัมพันธ์ครับว่าครั้งที่สองจะจัดขึ้นวันเสาร์หน้านะครับเน้นเรื่องการฟังการสื่อสารนะครับพี่น้องเรายังมีโต๊ะว่างอยู่สองตัวนะครับก็คือรับได้สองคู่สมรสนะครับไม่ว่าท่านจะสมรสมาแล้วกี่ปีก็าตามผมอยากจะบอกข่าวดีนะครับ ในการจัดหลายๆครั้งนะครับที่ผ่านมาของหลายๆคริสจักรเนี่ยปรากฏว่ามีเซสชันหนึ่งครับเขาเรียกว่าสองเรานะพอหลังจากเซสชันนี้นะครับหลังจากนั้นประมาณสามเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคู่สมรสที่มีบุตรยากเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลายๆคู่เนี่ยมีมีลูกและตั้งครรภ์ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสภาวะจิตใจพร้อม ร่างกายพร้อมนะครับจิตวิญญาณพร้อมเห็นถึงความรักความจริงในเรื่องของการมีชีวิตคู่ที่ถูกต้องตามน้ำมัธยของพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานให้ลูกเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาที่เขารอคอยลูกอยู่จึงอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าเราเริ่มไปแล้วนะครับเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มครั้งที่สองพี่น้องที่ขาดนะครับวันวันเสราร์ที่ผ่านมาสามารถเรียนซ่อมได้นะครับ เรามีการเปิดเรียนซ่อมได้ด้วยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะประชันสมพันต์พี่น้องนะครับบอกว่าตอนนี้เรามีที่ว่างอยู่แค่สองคู่เหลือแค่สองคู่เท่านั้นนะครับรักจริงต้องฟังนะครับรักจริงต้องอดทนพระพีสอนว่าจงฟังภาษาฮีบรูที่ว่าเชมาเวลาที่เราไปเจอกับคนอิสราเอลนะครับเราพูดกับเขาบอกว่าชาโลมก็ปแปลว่าสวัสดีเชมายิสเวลแปลว่า จงฟังอิสราเอลเอ๋ยจงฟังพวกเขาจะรู้เลยครับว่าพวกเราเนี่ยอา่านพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าพระคัมภีร์เดิมนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หข้อที่สีว่าเชมายิสราเอลก็คือจงฟังเถิดอิสราเอลเอ๋ยเป็นการฟังอย่างตั้งใจครับคำ ว, ว่าเชมานี้พิเคราะห์หวังนะครับที่จะให้ผู้ฟังเรียนรู้และปฏิบัติตามจุดประสงค์ของการกาชับนี้ก็คือว่าชาวอิสราเอลจะต้องตระหนักว่า พระเจ้าพระยาเวนั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวทรงพระชนอยู่พระเจ้าที่ปรากฏกับอับราฮัมอิสอักและยาโคบพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยครับทรงให้คุณให้โทษได้ทรงสัญญาและรักษาพันธสัญญาของพระองค์ตลอดชั่วลูกชั่วหลานของผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าอํานวยพระพรของพระองค์เนี่ยให้ตกแก่ลูกหลานหนึ่พันชั่วยุคคนพี่น้องครับหนึ่พันชั่วยุคคนหมายความว่าไงครับหมายว่าทุกๆกรุ่นเนี่ย จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยพระพรของพระเจ้าจะไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไไปเรื่อยไลไปจนไม่มีที่สิ้นสุด น, นี่คือกระบวนการแห่งความรักครับพี่น้องเราจะต้องเชื่อฟังพระเนะของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามรักและห่วงใยถ้ารักพระเจ้าจริงต้องฟังพระองค์ถ้ารักคู่สมรสของเราจริงก็ต้องฟังเขานี่คือกระบวนการแห่งความรักความรักนั้นเริ่มต้นที่ใจก่อนเพราะฉะนั้นพระพี่จึงบอกว่าให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ เริ่มต้นที่ใจก่อนครับแสดงออกที่การกระทําสุดกําลังดังนั้นอิสราเอลจึงควรจะรักพระเจ้าเราทั้งหลายเองก็เช่นเดียวกันครับเราควรจะรักพระเจ้าให้มากกว่าสิ่งอื่นใดพระวจนะพระเจ้าท้าทายเรานะครับเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือคําถามที่พระเยซูถามว่าเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือในพระธรรมเยเรมีนะครับบอกว่าเรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบสืบไปด้วยนี้ครับโมเสสจึงย้ำเตือนคนชาติอิสราเอลตอบสนองกับความรักของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับให้รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดความคิดของเราสุดจิตสุดใจเริ่มต้นที่ใจสุดอยู่ที่กำลังทำเต็มที่เพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ที่รักพระเจ้าอย่างถูกต้อง พี่น้องครับพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้พระองค์ทรงรับความผิดบากของเราโดยการยอมตรึงตายบนไม้กางเข็นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจไม่เพียงแต่พระเยซูจะปรารถนาให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจพระเยซูปรารถนาที่จะให้เราห่วงใยคนอื่นรักคนอื่นเหมือนรักตนเองเช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับผมจะแบ่งปันธรรพยานจากด็อร์เบลลี่คิมครับด็เตอร์บลี่คิมนั้นเคยมาประชุมงานคองเกรสซี่โรงเรียนวิทยานาครับหลายปีก่อน ท่านเป็นคนเกาหลีท่านเล่าเรื่องปิดท้ายในการสัมมนาประชุมคองเกรสอย่างนี้นะครับว่าในประเทศเกาหลีระหว่างการลุกรานของฐานญี่ปุ่นตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฐานญี่ปุ่นนะครับก็บังคับให้คริสเตียนเกาหลีกราบไหว้พระชินโตของญี่ปุ่นแล้วก็เอาพระชินโตของญี่ปุ่นมาวางนะครับแล้วก็เอารูปวาดพระเยซูวางแล้วก็บอกกับคริสเตียนชาวเกาหลีบอกว่าให้เลือกนั่นพิธการ จะเลือกนับุการใครนะครับจะเลือกนักบุญกาลพระพระชินโตหรือจะเลือกนักบุกาลพระเยซูถ้าหากว่าจะปฏิเสธนะครับพระเยซูก็ให้ถมน้ำลายรดลูกพระเยซูแล้วก็จะไว้ชีวิตก็คือรอดชีวิตอาจารย์เบนลี่คิมท่านเล่าอย่างนี้ครับว่าบรรดาผู้ที่เคยรักพระเจ้าและประกาศตัวเองว่าเป็น คนที่รักพระเจ้าบรรดาผู้ปกครองคริสตจักรที่บอกว่ารักพระเจ้านะครับก็เข้าแถวถมน้ําลายลดภาพวาดของพระเยซูแต่มีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเมื่อถูกบังคับให้เข้าแถวจะต้องแสดงความกล้าว่าจะเชื่อหรือปฏิเสธพระเยซูเธอเห็นหลายคนถมน้ําลายลดบทภาพนั้นแต่เธอเด็กผู้หญิงคนนี้กลับทําตรงกันข้าม เธอก้มลงหยิ บ, ยบภาพที่เปื้อนน้ำลายใช้ชายเสื้อของเธอเช็ดน้ำลายออกแล้วกอดทูกภาพนั้นแล้วพูดว่าพระเยซูพระเยซูเจ้าข้าแม้คนอื่นจะปฏิเสธพระองค์แต่หนูรักพระองค์ทุกคนก็จ้องไปที่เด็กน้อยผู้กล้าหาญคนนี้ยืนหยัดกล้าหาญยืนหยัดต่อความเชื่อของตนทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกลายใจแต่ก็สายเสียแล้วครับ ทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็หันปากกระบอกปืนไปที่กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองของคริสตจักรเป็นผู้นำของคริสตจักรกลาดยิงพวกเขาพร้อมกับกล่าวว่าขนาดพระเยซูที่พวกเขาบอกว่ารักเขายังกล้าปฏิเสธและเขาจะไม่ปฏิเสธพระชินโตและก่อการกรบฏต่อพวกเราหรือในที่สุดคนเหล่านั้นก็ตาย พี่น้องครับถ้าเราจ ะ, ะเผชิญกับการข่มเหงและต้องพิสูจน์ความเชื่อของเราต้องเริ่มต้นด้วยการได้ยินได้ฟังพระวจนะพอได้ยินได้ฟังพระวจนะมีประสบการณ์กับพระเยซูมากแค่ไหนเราก็จ ะ, ะเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงและอุปสรรคต่างๆมากเท่านั้นเราจะกล้ายืนหยัดหรือเปล่าลูกาบทที่สิบสองข้อที่แปดข้อที่เก้าเขบอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคน ที่รับเราต่อหน้ามนุษย์บุตรมนุษย์จะรับผู้นั้นต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าใครก็ตามที่รับพระเยซูต่อหน้าผู้คนทั้งหลายพระเยซูก็จะรับผู้นั้นต่อหน้าเ่าทูตสวรรค์แต่คนที่ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์หมายถึงปฏิเสธพระเยซูนะครับต่อหน้ามนุษย์ก็จะถูกปฏิเสธต่อหน้าทูตสวรรค์ด้วยด้วยเหตุนี้ครับเวลาที่ขึ้นไปแล้วหลายหลคนบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าขา้า ทำไมเป็นแบบนี้พระเยซูก็จะตอบเขาว่าเวลาที่อยู่ในโลกนี้เราไม่ได้รักพระองค์สุดจิตสุดใจเราไม่ได้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเป็นรองครับพระเจ้าของพระเจ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับขอให้พระคำนำชีวิตของเราให้เรายำเกรงพระเจ้าให้เรารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจและห่วงใยเพื่อนบ้านเหมือนกับที่เรารักตัวเอง ขอพระเจ้าอวยพระภอรทุกท่าน a m e น